วันนี้ลวงพ่อมาเร็วขึ้นรถมาถ้าเดินมาก็จมาเจ็ดมงครึ่งช่วงนี้เป็นงูสวัสด์เคลื่อนไปเยอะๆปวดนั่งนานๆก็ปวดแก่แล้ว พวกเราชอบอารัธนานะให้อยู่นา น, านๆอ่างเงี้ยเราไม่รู้เรากาแก่เราเดือดร้อนความแก่ความเจ็บความตายตัวทุกข์เป็ น, นาอาการปรากฏของทุกข์ตัวทุกข์ที่แท้จริงตัวรูปกระหน่กายใจแล้วนี่แล้วมันก็แสดง อาการของทุกออกมาอย่างร่างกายมันแสดงอาการความแก่ความเจ็บความตายให้เราดูจิตใจมันก็แสดงอาการทุกให้ดูด้วยการพลัดพรากจากสิ่งที่รักด้วยการประสบสิ่งที่ไม่รักนะแล้วก็ด้วยความไม่สมปรารถนาต่างๆตัวทุกแท้ๆเลยก็คือตัวรูปนามตัวกายใจนี่ ยากที่จะเห็นถ้าเห็นถึงตัวนี้เนี่ยเรียกว่ารู้ทุกขสัตว์นะรู้ความจริงว่ารูปคือทุกนามคือทุกพอ ร, รู้เรื่องนี้มันจะวางนะจะพ้นจากรูปนามถ้เจออนิพพานของเรายังไม่เห็นของเราจะเห็นว่ารูปนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้าง นำมาทำทั้งหลายความรู้สึกนรคิดทั้งหลายนะเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกไมมร่างกายเราเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกไหมรู้สึกไมมจิตใจเราเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างนะยังเกิดอีกนะเห็นอย่างนี้ยังเกิดอีกเพราะยังมีทางเลือกเราก็จะเลือกดิ้นรน ความสุขดิ้นรนนี้ความทุกข์ไปเรื่อยๆปันใดปัญญาแทงตลอดในรูปนามนะว่าคือทุกข์ล้วนๆเนี่ยไม่มีทางเลือกมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปเห็นอย่างนี้นียกว่ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะ รูปนี้ทุกจิตก็จะวางรูปแล้วก็รู้ว่าจิตนี้เป็นตัวทุกนะมันก็จะวางจิตวางนา ม, มาทำนา ม, มาทำที่เป็นหัวโจก็จิตนั่นเองวางรูปวางนามได้นะจิตก็สัมผัสพระนิพพานนะล้่ต้องอาศัยความอดทนนะในการฝึกตัวเอง ภาจิตของเราเนี่ยให้เข้ามาเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจภามันมาเรียนรู้นะรู้แล้วรู้อีกซ้าแล้วซ้าอีกไปเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีถ้าบุญวั ส, สนาพอมันก็จะรู้ความจริงว่ารูปนามนี้คือตัวทุกข์ ยากมากที่จะเห็นรูปนามเป็นตัวทุกข์เราไปเห็นแค่อาการของมันอยัางเห็นความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์นั้นถ้าไม่แก่ก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมถ้าไม่เจ็บก็ไม่ทุกข์ตอนนี้ยังไม่เจ็บก็ไม่ทุกข์ละยังไม่ตายยังไม่ทุกข์ให้เราอย่าเห็นกายเนี้ยทุกข์บ้างสุขบ้างอย่างยังเด็กอยู่ยังไม่รู้สึกยังไม่แก่ ยองไม่ทุกวันๆยังวิ่งเล่นได้ยเยอะพอแก่เราเคลื่อนไหวนิดหน่อยก็ลําบากแล้วเวลายังไม่เจ็บไข้เรา ว, ว่าร่างกายนี้แข็งแรงไม่ทุกเวลายังไม่ความตายยังมาไม่ถึงรู้สึกนี่ตัวเรานี่ของเราเรายังควบคุมไว้ได้ไม่ทุกข์ งั้นเวลาที่อาการของทุกข์แสดงอย่างแรงขึ้นมานะถึงจะค่อยเห็นว่าเออกายนี้ทุกข์นะเพราะความแก่ความเจ็บความตายจิตนี้ทุกข์เพราะความการต้องเจอสิ่งที่ไม่รักต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักเนี่ยเพราะความไม่สมปรารถนาต่างๆถ้าเราได้เจอสิ่งที่รักก็ไม่ทุกข์ เราพลัดพลากจากสิ่งที่เกลียดอย่างเราเจอสิ่งที่รับรู้สึกไม่ถูกเราพลัดพลากจ า, ากสิ่งที่เกลียดมันรู้สึกไม่ถูกเงั้นใจเนี่ยยังมีทูกบ้างสุขบ้างเียว่าปัญญาเรายัางไม่พอดูมากๆากในที่สุดความไม่รู้ของเราเนี่มันจะสู้ สติสู้ปัญญาไม่ได้ซักฟอกเข้าไปเรียนรู้ซ้ําแล้วซ้ำอีกเข้าไปนะวันใดปัญญาแก่กล้าขึ้นมามันรู้ว่ากายนี้คือตัวทุกข์มันจะไม่ยึดกายหรอกมันจะไม่ยึดร่างกายร่างกายจะแก่ร่างกายจะเจ็บร่างกายจะตายฉิตไม่หวั่นไหวมีแต่จะร่าเริงด้วยซ้ํำไป งั้นอย่างพระละหันนะเวลาจะตายจนะร่าเริงใจนะไม่ใช่เศร้าใจเสียใจเสียดายของดีจะแตกดับไม่ใช่เวลาพระละหันจะนิพพานเนะี่ยท่านจะรู้สึกตัวทุกข์มันจะตายตัวทุกข์มันจะแตกตัวทุกข์จะแตกไม่ใช่เรื่องน่าเสียใจของเราตัวดีจะตาย น, ะน่าเสียใจค่อยๆฝึกนะ เจอทั้งวันหนึ่งเราเห็นจิตนี่คือตัวทุกข์ทุกข์เพราะไม่เที่ยงทุกข์เพราะถูกบีบคั้นทุกข์เพราะบังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจนเห็นอย่างนี้ยจิตก็จะวางจิตจิตวางกายได้พระนาคาจิตวางจิตเป็นพระอรหันต์นั่นปลวางจิตได้ก็คือ ที่สุดของตุกอยู่ตรงนั้นแหละหลวงปู่ดูลสอนหลวงพ่อนะครั้งสุดท้ายที่เจอทันท่านบอกภพผูร้รู้ให้ทําลายผูร้รู้พบจิตให้ทําลายจิตจงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงการทําลายผู้รู้ทําลายจิตในครูบาอาจารย์ท่านมาขยายความให้ฟังหลวงพ่อพุธมาขยายความให้ฟัง ว่าไม่ใช่เราไปทาลายมันตรงๆนะถ้าเราเห็นใตรลักเห็นจิตตกอยู่ใต้ใตรลักมันจะวางจิตเองคาว่าทาลายจิตคือปล่อยวางจิตไม่ใช่ทาลายตัวจิตแต่พอปล่อยวางจิตแล้วจิตที่เคยมีเคยเป็นอย่างที่พวกเรามีพวกเราเป็ น, นจะถูกทําลายไปจิตของเราเป็นจุดเป็นดวง มีที่ตั้งมีการไปมีการมามีความเคลื่อนไหวมีความปรุงแต่งอะไรพวกนี้จิตเหล่านี้จะถูกทําลายไปกลายสภาพมาเป็นธาตุรู้ธาตุรู้ที่บริสุทธิ์เป็นธาตุรู้ที่บริสุทธิ์ไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีขอบเขตไม่มีที่ตั้งไม่มีการไปไม่มีการมา จิตจะเป็นเองหน้าที่เราก็เรียนรู้จิตไปเรื่อยมนะันเห็นจิตไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเดี๋ยววันนึงมันเป็นเองหลวงพ่อพุทธท่านเคยบอกหลวงพ่อนะบอกมันเหมือ น, นลูกไก่ลูกไก่อยู่ในฟองไข่ใครเคเห็นทุกทําให้ไข่ข้าวไหมมีไก่อยู่ในไข่เนาะ แต่ไก่เพราะว่ามันไก่ตายแล้วนี่ถ้าลูกไก่นี้ไม่ตายเติบโตอยู่ในไข่เต็มที่แล้วลูกไก่จะจเจาะเปลือกออกมาเองเงื้นเวลาที่เรานาวนาะเห็นความจริงของจิตแล้วว่าจิตเนี้ยตกอยู่ใต้ใจรลักเห็นนั่นได้อันหนึ่งไม่ต้องเห็นสามันพอเห็นแล้ว ลูกไก่ที่ธาตุรู้เนี่ยมันจะเจาะทลายอาสวะกิเลส ท, ที่ห่อหุ้มจิตอยู่ทำลายอาสวะออกมาเป็นเองเราไม่ต้องทำถ้าเราทำนี่ใช้ไม่ได้อย่างเราไปซื้อไข่ไก่มาใบเราอยากดูลูกไก่ในไข่นะเราไข่มาตอกดูลูกไก่ลูกไก่ยังไม่โตก็ตายหมด หน้าที่เรามีสติเรียนรู้ความจริงของรูปนามขายใจซ้ำแล้วซ้ำอีกนี่คือทางรอดนะนี่คือทางเดียวที่จะรอดทางอื่นไม่ช่วยให้เรารอดได้อยังไปนั่งสมาธิก็ไม่รอดนั่งสมาธิจิตสงบไป มีความสุขอยู่ช่วกกำลังของสมาธิพอสมาธิเสื่อมก็ทุกข์ใหม่จิตใจวุ่นวายขึ้นมาใหม่นี่หมอเขาให้ลองอยาตัวใหม่ลองแล้วก็อกกวบนผีลึกเลย <c oughs> มียาหลายตัวมียาต้านต้านไวรัสมูสวัสดมียาแก้ปวดอมประสาทลายประสาทอะไ ร, น, ะไรนี้มีหลายตัวมียาทานี่ไม่มียาแก้ปวดเมื่อวันลองกินดูนะ ไม่เมานี่หมออยากลองอยา <hi> อีกตวงเนี่ยหลวงพ่อกำลังเมาแล้วนี่ย้องใส่หมอยาโดนตีแล้ว <an> มีคนไปแก้แค้นเห็นหน้าพวกเราเลยเมา เราฝึกนะสิ่งที่หลวงพ่อสอนให้เนี่ยมันสุดยอดของกรรมฐานแล้วเมืนะ่อก่อนครูบาอาจารย์ท่านไม่สอนคาววะหรอกทำไมอย่างนี้คือคาวาะไม่เคยได้ยินคาวาดก็เลยภาวนาไม่เป็นอย่างมากก็พุทโธนะให้พุทโธไปเรื่อยๆอีกหลายๆชาติ ใ็ค่อยมาเดินปัญญาหนึ่งตารหลวงพ่อเอาธรรมะที่สูงสูงแบบนี้มาสอนแรกๆกนะถูบาอาจารย์มางองค์ยังท้วงหนะ่อยประโมทสอนยากเกินไปตรนะี้ครว่าท์ทำไม่ได้หรอกครว่าด์สอนให้ทาทานให้รักษาศีลก็ดีถมไปแล้วแค่นั้นยังทำไม่ค่อยจะได้เลย หลวงพ่อก็บอกครับครับครับครูบาอาจารย์บอกเราไม่เขียนออกแต่เราไม่เชื่อสิทธิของเรานะี่ยเชื่อไม่เชื่อทำไมไม่เชื่อที่ไม่เชื่อพระหลวงพ่อภาวานาตั้งแต่เป็นคราวาสแล้วครูบาอาจารย์เจอหลวงพ่อนะท่านก็ไม่มาสอนพุทโธพี่ยนักกายท่านก็สอนธรรมะอย่างที่หลวงพ่อเอามาสอนพวกเรานี้แหละ ถ้าหลวงพ่อทําได้พวกเราก็ทําได้พวกเราไม่ได้โง่กว่าหลวงพ่อหรอกแต่ขี้เกียจกว่าหลวงพ่อหน่อยนึ่งไม่โง่นะแต่ขี้เกียจหน้าตาทําบ้างไม่ทําบ้างจะทำให้ถูกแล้วก็ทําให้พอสองอย่างนี้เท่านั้นแหละทําให้ถูกทําให้พอหลวงพ่อปฏิบัติครูบาอาจารย์สอน สอนอะไรเนะี่ยไม่เคยต้องสอนสองครั้งอุบาจารย์สั่งให้ทําอะไรทําเลยไม่มีครั้งที่สองไม่ต้องอ้นอนวอนไม่ต้องเชียวตอนเด็กไปหาท่านพ่อหลีพอ่อพาไปนะยังเด็กเล็กๆอยู่ไปถึงท่าจะจับนั่งตักท่านจะสอนหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทรนับหนึ่งหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทรนับสอง ทำตลอดนะทำอยู่งั้นแหละยี่สิบสองปีไม่เคยทิ้งเลยเรียนกับท่านได้แค่นั้นเราเด็กยังไม่ได้ขึ้นวิปัสสนาตอนนั้นเราก็คิดว่านั่งสมาธิไปเรื่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งก็บรรลุมรรคผลเองแหละนั่งอยู่ย2ิบสองปีไม่เห็นจะบรรลุตรงไหนเลยมีแต่จิตสงบเสรนจามาปีสองห้า 2,525 อบกุมพาไปเจอหลวงปู่ ด, ดูลหลวงปู่ ด, ดูลให้ดูจิตแต่แต่นั้นดูจิตไม่เลิกเลยดูทุกวันไม่ต้องมาสั่งนะไม่มีใครสั่งให้ดูทั้งวันหรอกแต่เราดูเองเวลามาดูจิตดูใจหลวงปู่บอกให้ไปดูจิตอ่านหนังสือมามากแล้ว เรไปนี้อ่านจิตตนเองใช่ไหมงี้ให้อ่านจิตตนเองท่านไม่ได้ใช้คําว่าดูจิตด้วยนะท่านใช้ว่าอ่านอ่านทีแรกก็อ่านผิดไปบังคับจิตควบคุมให้สงบสบายมากทำมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วเอาไปส่งเงินบ้านทําอยู่สามเดือนจิตเด่นดวง ส่งการบ้านหลวงปู่บอกทำผิดแล้วดังนั้นแทรกแสงอาการของจิตให้ไปดูจิตเป็นยังไงก็ดูไป เ, เราก็ได้รู้ว่าอ๋อหลักจริงๆก็คือจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างไั้จิตของเราสุขรู้ว่าสุขจิตทุกรู้ว่าทุกนะจิตดีรูว้ว่าดีจิตโลภโกรธหลงรูวรลลงร้ว่าโลภโกรธหลงรู้ซ้ำๆๆเข้าไปอย่างนี้ ดูอยู่สี่เดือนก็เข้าใจขึจิตนี้ไม่ใช่ตัวใช่ตนอะไรเป็นธรรมชาติที่ทำงานรับรู้อารมณ์เท่านั้นเองกค่อยๆฝึกค่อยๆดูไปล้วเรียนรู้มากๆเข้าพอเรารู้ว่าจิตไม่ใช่เรานะคันห้าจะไม่เป็นเรา ในขันห้าเนี่ยจิตก็อยู่ในขันห้าเนี่ยอยู่ในปิญญาณขันพอเราปัญญาแจ่มแจ้งรู้ว่าจิตไม่ใช่ตัวเราขันห้าจะไม่เป็นตัวเราด้วยขันห้าเกิดขึ้นมาจากจิตดวงเดียวนั่นแหละขันห้าเกิดมาจากจิตนั่นแหละที่ว่าวิญญาณปัจจยานามารูปัง อิญญา์เป็นตัดใ จ, จให้เกิดนามรูปนามรูปก็ตัวขันนั่นเองนี่อาศัยจิตดวงเดียวสร้างขันห้าขึ้นมาแล้วก็มาออกลูปออกหลานมนทำความดีทำความชั่วสะสมมาไว้จะเป็นเชื้อเกิดวนเวียนอยู่อย่างนั้นถ้ามเมื่อไหร่เห็นความจริงเม่าจิตไม่ใช่เราขันห้าจ่ไม่ใช่เรา ถ้าวันใดหมดความยึดถือจิตก็จะไม่ยึดสิ่งใดในโลกอีกที่สุดของทุกอยู่ตรงที่หมดความยึดถือจิตนั่นแหละยากไปไหมยากก็ต้องเรียนมีมาเรียนง่ายๆตลอดเวลาได้ไงใช่ไหมแต่ก่อนที่มาถึงจุดที่รู้แจ้งแทงตลอดเนี่ย ต้องถือศีลห้าต้องถือศีลห้าไว้ทุกวันทําในรูปแบบถ้าไม่ทาจิตจะไม่มีกําลังทําในรูปแบบก็คือหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่ชอบอยู่กับพุทโธก็อยู่กับพุทโธชอบอยู่กับลมหายใจใหอยู่กับลมหายใจไป พูดโทรไปหายใจไปหรือจะควบกันก็ได้หายใจเข้าพูดหายใจออกโทรไปเลยก็ได้หรือจะรู้อีกทรีย์อดสีก็ได้ยืนเดินนั่งนอนเรารู้สึกมีสติรู้สึกเรื่อยๆไปเลยจะรู้ความเคลื่อนไหวความหยุดนิ่งของร่างกายก็ได้เลยจะรู้ความรู้สึกสุขทุกข์ที่เกิดในกายก็ได้มันเกิดทั้งวันแหละอยู่<ๆ>ในร่างกายเลยจะรู้ความสุขทุกข์ความเฉยๆที่เกิดในใจก็ได้ ในใจมีเฉยๆฉยด้วยเนะี่ยคอยรู้ตามรู้ตามดูไปมีเครื่องอยู่หรือนะเป็นคนขี้โมโหเราก็จะดูจิตเนี๋ยก็โมโหเดี๋ยวก็หายโมโหเป็นคนคี้โลภเราก็ดูเดี๋ยวจิตก็โลภเดี๋ยวจิตก็ไม่โลภดูซ้ำซ้ำซ้ำไปเป็นคนชอบใจลอยก็คอยรู้จิตหนีไปคิดแล้วจิตใจลอยแล้วรู้ทันก็เกิดจิตรู้ขึ้นมา เนี่ยเรียนกนรรมฐานนะให้มันมีเครื่องอยู่ของจิตเวลาทําในรูปแบบก็คือเรามาอยู่กับเครื่องอยู่ของจิตของเราเนี่เองแล้วค่อยรู้ทันจิตมาอยู่กับเครื่องอยู่ของจิตเพื่อจะรู้ทันจิตไม่ใช่เพื่อบังคับจิตให้ดีให้สุขให้สงบถ้ดีไม่เที่ยงสุขไม่เที่ยงสงบไม่เที่ยงเราจะเรียนรู้ความจริง นั่นมาอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอยู่กับอิริยาบถอยู่กับความเคลื่อนไหวความหยุดนิ่งของร่างกายอยู่กับความรู้สึกสุขทุกข์ในกายอยู่กับความสุขทุกข์เฉยๆในใจอยู่กับความโลภความไม่โลภความโกรธความไม่โกรธความหลงความไม่หลงความฟุ้งซ่านความโผูู่อะไรเงี้ยตัวไหนเด่นนะรู้ไปเรื่อยใช้เป็นเครื่องอยู่อยู่เพื่อจะรู้ทันจิตตัวเอง อย่างเราหายใจอยู่จิตหนีไปละฟุ้งซ่านรัวฟุ้งซ่านอย่างนี้เรียกว่าใช้ได้มีเครื่องอยู่ของจิตเพื่อจะรู้ทันจิตนะมีเครื่องอยู่ของจิตเพื่อจะรู้ทันจิตตัวเองไม่ใช่เพื่อให้จิตมีความสุขมีความสงบมีความดีความสุขพึ่งพาไม่ได้ไม่เที่ยง ความสงบพึ่งพาไม่ได้มันไม่เที่ยงความดีก็พึ่งพาไม่ได้มันไม่เที่ยงเรียนเพื่อให้เห็นความจริงความจริงเป็นสิ่งไม่ตายความจริงเที่ยงนั่นจะเรียนให้เห็นความจริงของรูปนามใครใจอย่างขันห้าไม่เที่ยงเป็นทุกปปเป็นอนัตตากี่พระพุทธเจ้าประสอนอย่างนี้แหละไม่เคยไม่เที่ยงนะสัจจะความจริงนั้นเที่ยงเสมอนะความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย นะความสุขไม่เที่ยงความดีไม่เที่ยงนะความสงบก็ไม่เที่ยงไม่ได้เอาสิ่งนี้มาเป็นที่พึ่งแต่เราเรียนเพื่อให้เห็นว่าเออดีก็ไม่เที่ยงนะสุขก็ไม่เที่ยงนะสงบก็ไม่เที่ยงนะจิตทุกชนิดไม่เที่ยงนะเรียนจนกระทั่งมันมีปัญญารวบยอดขึ้นมารู้ความจริงเข้าถึงสัจจะว่ารูปนามนี้คือตัวทุกข์ครยๆรู้สึกลงในกายรู้สึกในใจนะ ดูซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่ยากอะไรหรอกอยู่ที่เด็ดเจียวคนที่ภาวนาได้เนี่ยพวกเด็ดเจี่ยวเท่านั้นแหละพวกหล่อหล่อไร่แหละโลเลได้กินหรอกทั้งซาทั้งโยม อย่างหลวงพ่อสอนกรรมฐานให้สอนแล้วาไปทํานะรับรองเจริญถ้าสอนแล้วยังเจ้าความคิดเจ้าความเห็นอย่างพระก็มีนะสอนทําอย่างนี้สิไม่ได้หรอกครับผมจะต้องอย่างนี้ก่อนเออมึงทําไปเถอะก <c oughs> ี่ชาตมึงทําไม่ได้มึงรู้ดีกว่าผู้บาอาจารย์นี่พูด ภาษาพ่อขุนรามนะในใจเวลาเราพูดข้างนอกเราก็พูดภาษาสุภาพตามสมมุติโลกในใจเราเราคุ้นภาษาอะไรก็อย่างนั้นแหละหลวงพ่อคุณอนะันคุณภาษาพ่อคุนรามพูดข้างนอกท่านก็พ่อขุนรามนะขนาดพูดกับเทพ เทพขอให้ท่านพูดด้วยพอท่านเริ่มพูดเท่านั้นผู้วงผู้วาดสะดุ้งหนึ่งําพ่อมึงสบายดีหรือ รู้สึกนะรู้สึกสบายๆฝึกกรรมฐานฝึกอยู่ในชีวิตจริงๆนี่แหละอย่างขนาเนี้ยใจเราเป็นยังไงเรามีเครื่องอยู่ก่อนหาเครื่องอยู่ที่พอดีกับตัวเองแล้วก็ทำกรรมฐานรู้เครื่องอยู่ น, นั้นต่แล้วก็รู้ทันจิตตนเอง อย่าสังเกตไหมจิตพวกเราขนาดนี้ส่วนใหญ่มีความสุขรู้สึกไหมรู้ว่ามีความสุขนะมีความสุขก็รู้ว่ามีความสุขในความสุขอ่าสอนความไม่เที่ยงให้ดูรู้สึกไหมความสุขในจิตเริ่แมแสดงสกว่าไม่เที่ยงแนละ้วนะนี่เรียนกรรมาฐานเขาเรียนกันอย่างนี้นะคระูบาอาจารย์ให้ทําอะไรก็ ท, ำทำําทําไปเถอะ อุปัจา์ผ่านมาแล้วที่สอนนะสอนด้วยความมั่นใจไม่ใช่เดาเดาเอาเดีย๋ยบางคนอาภัพมากเลยหลวงพ่อ บ, บอกลอยจีตอาไปเลยมันทำงานไม่ได้รักษาขีชาติมึนก็อยู่ตรงนี้แลนะ <c oughs> ้ววะเพื่อก่อนเจอโยมคนหนึ่ง เดินจงกลม่ยู่หลวงพ่อไปที่วัดแห่งหนึ่งเจอโยมเดินจงกลมเนี่ ย, เ, ย, เ, เ, ยเขาเดินทำจิตให้ว่างเดินแล้วแต่งจิตให้ว่างหลวงพ่อเห็นแล้วรู้สึกสลดใจเคยรู้จักกันอยู่พ่อก็เลยบอกว่าเมื่อปีก่อนจิตเป็นแบบนี้แหละจิตก็เหมือนตอนนี้แหละ ว, ว่างๆ เดี๋ยวนี้ว่างๆปีหน้าก็ว่างๆอย่างนี้อีกแหละกี่ปีกี่ปีก็อยู่ตรงนี้แหละชาตินี้ไม่ไปไหนหรอกชาติหน้าก็เป็นอย่างนี้อีกเขาเสะเถือนใจเขอยมาดูรูปนาททำงานไม่ได้ไปแต่งจิตให้ว่างนี่อย่างนี้สอนได้บางคนสอนไม่ได้นะบงคนทั้งพระทั้งโยมมีเสมอแหละอย่างมี โยมคนหนึ่งผู้ชายหลวงพ่อบอกว่าให้ดูจิตไปเลยไม่ได้หรอกครับผมจะต้องทําสมาธิก่อนถ้าไม่มีสมาธิจะดูจิตไม่ได้ผมจะต้องไปฝึกเข้าฌาหนหลวงพ่อพูดครั้งที่สองบอกไปดูเลยดูไปเลยแล้วฌานเกิดทีหลังไม่ได้หรอกครับถ้าไม่มีฌานจะไปดูไเร่งไงครั้งที่สาม ผมจะทำอย่างเนี้ยเออทำไปเถอะในใจต่อมึงไปทำเท่ามึงกีชาติมึงก็อยู่ตรงนี้เลยเ <_ d ata> พราะอะไรจริตนิสยเนี่ยทำสมาธิไม่ได้ <_ d ata> เป็นพวกคิดตลอดเวลาเลยคิดตลอดเวลาคิดมากพวกที่ที่จริต น, <_ d ata> นื่องท่ที่จริตเนี่ยกรรมาฐานคือดูจิตที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ แล้วสมาธิจะเกิดเองเป็นปัญญานําสมาธินี่เคยได้ยินแต่ว่าต้องทําสมาธิแล้วถึงเกิดปัญญาไปได้ยินธรรมะมาเซี่ยวเดียวก็นะอยากคิดจะต้องนั่งสมาธิก่อนบางคนหลวงพ่อให้ทําสมาธินะทําสมาธิแล้วดูกายหรือดูเวทนาบางคนหลวงพ่อก็สอนอย่างนั้นนะอย่างเนี้ยบอกให้ไปทําสมาธิไม่ทําผมจะเจริญปัญญา เออมืองเชลินมเาเถอะนะ <c oughs> ไม่ทางหรอกนะเรียกว่าไม่รู้จักตัวเองในอุปชาหลวงพ่อนะท่านมีสำนวน <c oughs> ที่เจ็บแสบอยู่อันหนึ่งใครรู้จักท่านวอุปชาหลวงพ่ออยู่วัดบูนสุรินท่านพูดถึงเต้าหนึ่งเต้าเนี้ย พยียมสร้างภาพให้ลูกศิษย์ช่วยสร้างภาพด้ยนะว่าเป็นพระอรหันต์ท่านบอกว่ า, าวท่านไม่เชื่อหรอกท่านรู้จักมาตั้งแต่เล็กเลยตงเนี้ยเราผมรู้จักเขามากกว่าที่เขารู้จักตัวเองอีกนีสายตาครูบาอาจารย์นะมันระดับเบร์อวิวสายตาระดับเ์ไอวิ view. มอง จากมุมข้างบนลงมาข้างล่างนี้กระจุกกระดิกอเงยเลืยคลานอยู่ตามพื้นเนี่ยบอกจะหลุดพ้นแล้วโถมึงยังอยู่ก้นเหวเลยมีจะหลุดพ้นแล้วอะไรเ ง, นะงี้ยนะงันให้ทําอะไรก็อย่าดื้อ น, นะหลวงพ่อให้กันบ้านทุกคนนะถือสี่ห้าจะรักษาไหม ถ้าไม่รักษาไม่ห้ามนะไม่ว่าไม่ตําหนิหรอกสังสารวัตรมันยาวเดี๋ยวค่อยไปเรียนต่อเอาที่หลังนะถือศีลห้าไว้ทุกวันต้องทําในรูปแบบนะการทําในรูปแบบก็คือหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่นะอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจอะไรก็ได้แล้วค่อยรู้ทันจิตไม่ใช่อยู่ก็เครื่องอยู่เพื่อบังคับจิตให้นิ่งให้สุขให้สงบนะ เช่นเราพุโทโธพุโทโธไปจิตนี้ไปคิดเรารู้พุโทโธพุโทโธไปจิตมีความสุขเรารู้พุโทโธพุโทโธจิตมีความทุกข์เรารู้เนี่ยอย่างนี้ใช้ได้มีเครื่องอยู่เพื่อรู้ทันจิตเนี่ยฝึกอย่างนี้เรื่อยๆแล้วสิ่งที่จะได้มาคือสมาธิตรงที่เรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปสมาธิจะเกิดอันตโนมัติ มีสมาธิแล้วต่อไปอยู่ในชีวิตธรรมดานี้แหละตอนไหนเหมาะที่จะใช้อารมณ์กรรมาฐานวิหารธรรมของเราก็ใช้ตอนไหนไม่เหมาะก็มีสติรู้สึกเอาอย่างเราเคยหายใจเข้าพูดหายใจออกโทอะไรอย่างนี้อยู่ในบ้านเราเราทำได้ เวลาเราจะมาขับรถอยู่กลางถน น, นอย่ยมัวแต่หายใจเข้าพูดหายใจออกโทรเดี๋ยวไปทับคนอื่นเขาตามองเห็นรูปสักแต่ว่าเห็นเนี่ยเรียกทำผิดงานจิตเกิดรวมขึ้นมาพอดีมีน้ารูกศิษย์หลวงพ่อคนหนึ่งเขาเนี่ยจิตไปรวมขับรถอยูอย่เห็นไฟแดงเห็นรถจอดอยู่อีกห้าคันสักว่าเห็น ไม่เหยียบเร่ง น, นะยังเหยียบพันเร่งเหมือนเดิมชนทีเดียวห้าคันเลยดีว่าเตี่ยเขารวย <c oughs> แล้วไม่ใช่เด็กขับรถเร็ว <c oughs> แค่ชนเฉย ๆ, ๆ, ๆไปห้าค <c oughs> ันเวลาอยู่ในข้างนอกอย่างนี้นะตัวหลักที่ใช้คือสติอย่าให้รวมลึกลงสมาธิลึกๆ อยู่ข้างนอกเนี่ ย, ยเราจะข้ามถนนเนี่ยมีสติไม่ใช่เข้าสมาธิแล้วแล้วก็ข้ามข้ามไปโยมโลกเลยไม่ได้ไปโยมาราดงั้นทานะฝึกในรูปแบบเพื่ออะไรจิตจะได้คุ้นเคยแล้วต่อไปพะจิตมันทิ้ง อารมณ์กรรมาฐานไปเราจะรู้สึกเร็วสติเราก็จะเร็วนะสมาธิเราก็จะดีขึ้นแลมาอยู่ในชีวิตจริงๆเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ให้มันกระทบไปมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีใจก็คิดนะไม่ใช่มีตาไม่ดูมีหูไม่ฟังมีใจไม่คิดนะ่นมันศาสตร์ของฤาษีไม่ใช่ศาสตร์ของพระพุทธเจ้า เวลามีตาเห็นรูปเกิดสุขบ้างทุกบ้างดีบ้างร้ายบ้างในใจมีสติรู้เวลาหูเราได้ยินเสียงเกิดสุขเกิดทุกเกิดดีเกิดร้ายขึ้นในใจมีสติรู้นะรู้ทักใจนะไม่ใช่รู้รูปรู้เสียงแค่นั้นกระจอกตามองเห็นรูปเห็นอะไรเห็นรูป เห็นอะไรมากกว่ารูปไหมไม่เห็นเห็นแต่รูปโอ้ยหมามันก็เห็นอย่างนั้นนะหมามันเห็นไหมหมาตัวเมียมาหมาตัวผู้ก็เห็นใช่ไหมนั้นตามองเห็นรูปแต่ว่าหมามันไม่เห็นรูปหมามันเห็นตัวเมียตัวเมียเป็นบัญญัตินะไม่ใช่ตัวรูปตัวรูปจริงคือสีนี่ตาหูจมูกลิ้นใชจกระทบอารมณ์ไปกระทบไปธรรมดาเนี้ยแหละะ ไม่ต้องคิดมากแล้กระทบแล้วใจเราเปลี่ยนแปลงใจเรากระเทือนขึ้นมาเกิดสุขเกิดทุก CC ข์เกิดดีเกิดร้ายขึ้นมามีสติระลึกรู้ไปแล้วเราจะพบว่าใจเรากระเทือนทั้งวันเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายไม่เที่ยงะแล้วก็บังคับไม่ได้กระทบที่ใดก็กระเทือนทุกที่ห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้ตรงที่เห็นมันเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆนีเ่เห็นอนิจจัง ที่เห็นว้าเราบังคับไม่ได้เห็นอนัตตาะเฝ้ารู้เฝ้าดูด้วยแต่สุดท้ายปัญญามันก็เกิดจิตนี้ไม่ใช่เราอาศัยง่ายๆนี่ตาหูจมูกลิ้นแก่ยใจกระทบอารมณ์ไปนี่เองแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วใครรู้มันจะรู้ด้วยอัตโนมัติแล้วตัดไปปัญญามันเกิดมันจะรู้เลยจิตทุกชนิดเกิดแล้ดับจิตทุกชนิดไม่ใช่ตัวเราะ ลางความเห็นจิดว่าจิตเป็นเราในขันห้าไม่มีเราอีกละ่ะจะเป็นพระโสดาบันง่ายๆเลยอันนี้แล้วทำไมในชีวิตประจำวันเราสามารถเห็นได้ตาหูจมูกลิ้นแก่ใจกระทบอารมณ์แล้ว mm. เกิดสุข mm. เกิดทุกข์ mm. เกิดดี mm. เกิดชั่วแล้วเราเห็นได้เพราะเราผ่านการซ้อมมาแล้วในรูปแบบทำกรรมฐานไปสักอย่างหนึ่งแล้วจิตใจเราเปลี่ยนแปลงรู้ทันะ ซ้อมไปทุกวันทุกวันพุโทโธพุโทโธรไปหายใจไปใจเรามีความสุขรู้ว่ามีความสุขหายใจไปใจอื่นานรู้ว่าอึดานเนี่ยไม่มีความสุขหายใจไปเราไปแอบไปคิดเรื่องอื่นฟุงซ่านรู้ว่าฟุงซ่านหายใจไปแล้วสงบรู้ว่าสงบทํากรรมฐานแล้วคอยรู้ทันจิตไปด้วยแล้วต่อไปพอมาอยู่ในชีวิตจริงเนี่ยถึงไม่ต้องทํากรรมฐาน ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์จิตเป็นยังไงมันจะรู้เองนะมันจะรู้เองตัวนั้นแหละปัญญามจะเกิดรู้เรื่องไหมเห็นไหมหลวงพ่อสอนวันนี้ก็พอสอนครึ่งชั่วโมงนี้แหละนะควาจริงสี่สิบนาทีแล้วออกมาก่อนเดี๋ยวรอบสองพวกเรา คนไหนมีปัญหาไปถามคนที่หลวงพ่อให้ช่วยสอนนะแต่ถ้าถามใครแล้วก็อย่าเปลี่ยนบ่อยนะถามคนนี้ปุ๊บวิบ่งไปเข้าคิวถามอีกคนหนึ่งแล้วบอกตอบไม่เหมือนกันไม่แปลกหรอกหมอรักษาโรคเดียวกันนี้ใช้ยาคนละตัวเลยมันเป็นศิลปะมันะไม่เหมือนอย่างครูบาอาจารย์นะ อุบาจาเนี่ยคล้ายๆท่านขึ้นมาที่สูง Bird เบ e View อมองมองทีเดียวก็เห็นไส้หมดแล้วนะขี่คดๆีดบางคนนะมันไม่ซื่อในการเรียนกรรมฐาน ม, มีมารยามีอะไรเงี้ยเราเห็นนะแต่เราก็ไม่พูดหรอกรักษาหน้าเขา ถ้าบอกอีตอแหลอย่างนี้นะโอ้โกรธตายสิหนูเป็นคนไม่ดีเลยค่ะหนูชอบอย่างโน้นอย่างนี้เนะี่ด่าตัวเองฉอดฉอดฉอดเลยนะแต่เพื่อจะให้ชมเนยะอย่างนี้เข้าขายอีตอแลเหมือนกันแหละ <laughs> พลาก็มีนะพูดแล้วก็พลิ้วนิดหนึ่งพูดแล้วก็พริวพวพร้วนิดหนึ่งให้ดูดีจะได้ปรู้วัตถุประสงค์ นึกว่าครูปัจจรยไม่รู้อะไรเงี้ยทนครู้หรอกแต่ไม่อยากทำร้ายจิตใจ <c oughs> <c oughs> บางคนท น, ทนยาแรงไม่ไหวนะเราก็ต้องอ้โลบปฏิลมหลอบโยนไปก่อนให้มีกำลังขึ้นมาพอเรียนเก่งๆเรียนกับหลวงพอ่อโหดมากนะทำไม่ได้เรื่องเนี้ยฉีกแต่พวกเราไม่ต้องกลัวหรอกนะ เรายินเียเรายังไม่แข็งหลวพ่อไม่โหดหรอกค่อยทะนุทนอมประครับประคองไปถึงจุดหนึ่ง <_ S 1> ไปทำเอาสิยุ่งอะไรนะออฟังแล้วโหดโหดเนี่ยเพราะเมตตานะถ้าหลวงพ่อโอโลมปฏิโลมพวกเราไปรื่อยๆเยมันอ่อนแอช่วงที่มันยังจาเป็นหพ่อก็ประคบประหงมหรอก ช่วงที่จะต้องเดินข้ามเหวด้วยตัวเองเนี่ยต้องไปต้องกล้าที่จะข้ามเหวด้วยตัวเองะสะพานเชือกเส้นหนึ่งอะไรเนี่ยไม่งั้นจะข้ามบัดตัดได้ไงออนแอร์ฟังเราไม่ต้องกลัวนะก่อนจะถึงวันที่ไปข้ามเหวที่ว่าเนี้ยมันผ่านการฝึกซ้อมมาเยอะแล้วนะไม่ต้องกลัวค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆไปเบื้องต้นยังไม่ต้องลดต้องละอะไรหรอก ถือสินห้าเท่านั่นแหละแล้วก็เรียนรู้ความจริงของกายของใจของเราไปอย่างที่สอนนั่นแหละนะทําในรูปแบบเรารู้ทันจิตไปเจอกระทั่งมาอยู่ข้างนอกเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจกระท่อารมณ์แล้วรู้ทันจิตไปนะแล้วปัญญามันจะเกิดปัญญาเกิดในเบื้องต้นมันไม่ได้ลดละกิเลสอะไรมากมันล้างความเห็นผิดเท่านั้นเองล้างความเห็นผิดว่ามีตัวตนมีตัวเรานะ แราต่ดไปครับภาวนาไปอีกรู้กายรู้ใจของเราไปปัญญามันแก่กล้าขึ้นมันรู้ความจริงของกายกายนี้คือตัวทุกข์กายนี้ เ, เป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้จิตที่ ว, วางกายเป็นพระอนาคามีในตอนที่เป็นพระอราหันต์นี่แหละที่ครูบาอาจารย์สอนว่านิพพานอยู่ฟากตายยังไม่ต้องกลัวนะ ตอนนี้ดูน่ากลัวเพราะมันคล้ายๆเราเป็นนักมวยรุ่นจิ๋วแล้วจะไปท้าชกกับแชมป์โลกอะรุ่นเฮฟวี่เวทอะไรเงี้ยได้ยินแค่นี้ก็พอละแต่จริงๆนะเหมือนไต่เชื่อข้ามเหวจริงๆแต่ว่าถึงวันนั้นพวกเราเข้มแข็งละเป็นสไปเดอร์แมนนะตอนนั้ น, นมันไต่ได้ไม่ถึงก็หนักตกเหวหรอก มันเป็นไปเองจิตมันละไปเองเราทำเพุไปเรื่อยๆเท่านั้นแหละแล้วผลเป็นเอง เ, อเทนให้สี่สิบห้านาทีแล้วนะไปกินข้าวไปรอบสองไม่ได้บอกว่าให้พักผ่อนนะ <c oughs> <c oughs> เวลาที่เหลือถัดจากนี้ไปเนี้ยมีสติรู้สึกกายรู้สึกใจไปอย่าละทิ้งสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนแล้วมันจะได้ดี แเชิญนี่หมดเลยครับวันนี้มีกรรมการมาไหมเชิญ